คือตอนนี้มไม่แน่ใจว่าไอคือมันมีความเข้าใจอยู่ว่าคือที่หลวงตาบอกว่าคือไม่ดูดไม่ผักมันความจริงคือมันเหมือนว่าเราต้องเข้าใจจริงจริงก่อนว่าไอคําว่าไม่ดูดไม่ผักจริงจรงมันมันคืออะไรแล้วมันมาจากไหนคือเหมือนว่า คือเราเข้าใจว่ามันมันไอดูดไอพัหรือว่าไอสงบไอฟุ้งซ่านน่มันมันเป็นมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันที่ที่มันเหมือนเหมือนเป็นก้อนก้อนเดียวกันเหมือนเหมือนเป็นพลังงานตัวเดียวกันแต่ว่าแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงลักษณะของมันไปเฉยๆยมันก็เลยสุดท้ายมันก็คือก็ก็ช่างมันก็คือมันจะเป็นอะไรมันก็เป็น ก็เห็นแค่ว่ามันเป็นก้อนก้อนหนึ่งของมันเฉยๆอือก็ใช่ก็อย่างนั้นน่ะก็คือสุดท้ายเราก็ไม่ไ ม, ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็คือปล่อยให้มันเป็นเองของมันโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยอืมมันก็เหมลูกโลกใบนี้ยมันก็หมุนไปเรื่อยเดี๋ยวหน้าที่ถกระทบแล้วทําให้ถูกใจ มันก็ผ่านมาโล่มกันอหมุนต่อไปอีกเดี๋ยวหน้าที่กระทบแล้วไม่ถูกใจมันก็ผ่านมาเขาบอกว่าประเทศไทยมันอยู่ตรงข้ามกับอเมริกาลุกโลกไงนะถ้าเจาะทะลุ ถ, ถึงกันมันจะตกกันข้ามอ่าดีแต่ว่าที่เวลาสบายใจไม่สบายใจก็ฝั่งประเทศไทยก็หมุนมาเดี๋ยวก็หมุนฝั่งอเมริกามา ใจที่โปร่งโล mhm. ่งเบาสบายว่างที่รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยใจสบายก็เหมือนกับเป็นประเทศไทยหรืออเมริกามุนมาเดี๋ยวก็โลกนี่ก็หมุนไปเดียวก็ใจไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่างก็ไปอีกหน้าหนึงเป็นของประเทศอีกประเทศหนึงตรงกันข้ามหมุนมาใกล้ลงไปเดียวเนี่ยมันก็หมุนไปเดี๋ยวสบายใจบ้างใหม่สบายใจบ้างสบายใจห้างใหม่สบายใจบ้าง อย่างที่เราพูดก็ถูกต่อ่มันก็คือเป็นก้อนเดียวกันความสบายใจไม่สบายใจความสุขความทุกข์มันคือโลกก้อนเดียวกันแม้ก็คือความสุขก็คือประเทศที่อยู่ฝั่งนี้ของโลกความทุกข์ก็ประเทศนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของโลกมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยแต่มันก็คือเป็นก้อนเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันใจเราตอนนั้นทําไมไปยึดมันเนี่ย ไม่มีใจไปยึดมันไม่มีตัวเราไปยึดมันมันก็เป็นธรรมชาติที่มันหมุนไปอย่างนั้นแหะพอใจไม่ยึดอะไรอ่ะไม่ว่าไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าหน้าไหนมันหมุนผ่านบาปมันก็จะใจันก็จะไม่ทุกข์แต่ความผ่องใสความเจ้าหมองความสุขความทุกข์ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายกายสบายใจมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังหมุนไปอย่างนั้นแหละแต่ใจไม่ไม่ไปยึดอะไรเป็นทุกข์นั้นไอ้ความสุขความทุกข์มันคือโลกก้อนเดียวกันอเป็นโลกก้อนเดียวกัน แต่ปัญหาที่พยายามจะพูดกับโยมเนี่ยโยมเขามันไม่เข้าใจคือโยมเขาจะัะเกียดหน้าที่มันเป็นทุกหน้าที่ไม่สบายใจโยมเขาจะเอาแต่หน้าเดียวคือหน้าที่มันสบายใจเขาจะตัดโลคผ่าไปครึ่งหนึ่งให้มันเหลือแต่หน้าที่หมุนมาคือหน้าที่สบายใจหน้าที่ไม่สบายใจจะไม่ให้มีแต่ถ้าเราเห็นว่าความสุขความทุกข์มันคือมันก็คือเป็นอาการ มันก็เป็นอาการเหมือนกันมันใจมันก็ไม่ไม่เข้ายึดอะไรให้มีความหมายต่อใจใจมันก็ไม่ทุกข์ความทุกข์เพราะใจมันเข้าไปยึดมันจะเอานี่ไม่เอานี่มันจะอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นอันนี้มันเลยทุกข์ไม่สิ้นจะพูดยังไงก็ใจมันก็ไม่ยอมรับม <ion> ันจะเอาอะไรให้ได้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นมันจะเอา พสิ้นผู้จะเอาซะมันก็ ม, มันก็สิ้นทุกมันจะแปลความว่า ง, ว, างว่างเๆเฉยๆสบายๆไม่มีปัญหาอะไรมันก็เลยเกียดทุกข์รักสุกขดีรักชั่วชามันก็เลยไปกิเลสไม่สิกิเลสทักทีตอนเราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยล้วนั่งเงี้ยอะไรตั้งภายนอกอะไรป่านก็นมาก็รับรู้หมดภายในใจมันเกิด อ, อะไรขึ้นก็รับรู้หมดอย่างที่มันเป็น มันก็เป็นแต่อาการอาการมันไม่รู้ตัวมันหรอกว่าเรียกว่าสุขหรือทุกข์มันไม่รู้เลยว่าอาการมันไม่เรียกมันไม่รู้ตัวมันหรอกว่าเรียกว่าสุขหรือทุกข์แต่เราจะไปให้ค่าเราเลยิึดทุกอาการนี่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับทุกอย่างนี่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกอาการนี่ผ่านมาในใจทุกอาการผ่านมาข้างนอกไม่มีใครไปยึดถือมันนั่งในทั้งวันนั่งคืนไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยปัญหามันคือมันจะเอาอะไรให้ได้จะไปเป็นอะไรให้ได้จะไปเอาอะไรให้ได้ แล้วมันเกลียดทุก hmm. ร kind of ักสุขดีร <k> like ักชื่ออาจารย์เกลียดทุกขรักสุขดีรักชื่ออาจารย์เงี้ยมันก็เลยทุกหนอทุกหนอทุกหนักหนอที่หลวงปู่ท่านว่ามันพยายามที่จะฝืนความจริงความจริงมันเป็นอยู่จริงอยู่ในขณะปัจจุบันแต่เราพยายามจะฝืนความจริงอย่างนี้ไม่ชอบจะแปเออย่างนี้เราไม่ยอมรับมันตามความเป็นจริงแต่ยอมรับตามความเป็นจริงก็ไม่มีคนยึดไม่มีคนยึดมันก็ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็ ไปยึดมันก็สินกิเลสตินทุกบรรภณิพานสำคัญคือไม่ว่าจะสอนอยังไงจะพูดยังไงมันก็ถามแต่ละครั้งมาพูดสอนเสร็จเข้าใจเข้าใจแต่ว่าถามแต่ละครั้งอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมไอ้นี่มันจะเอาทั้งนั้นนหะอย่างนี้ถูกไหมมันจะเอาถูกไหมมันไม่เอาผิดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเอาที่ใช่ไอ้ที่ไม่ใช่ไม่เอา ถ้ามันเป็นยังไงใช่ไม่ใช่ถูกผิดก็ไม่ยึดเลยสักอย่างเดียวจีปู้ชาติตะวันโตตะวันว่าเที่ยวในทีเดียวหาถูกหาผิดในกิเลสทั้งนั้นนี่ยต่ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นอย่างมันเป็นทุกขณะปัจจุบันอะมันเป็นยังไงก็ไม่มีใครยึดในใจของเราน่ยภายดอกยังไงไม่มันเป็นยังไงไม่มีใครยึดไม่มีใครยึดไม่มีใครยึดไม่มีใยึดไม่มีผู้ย claro. ึดมันก็เป็นยะถาพุตติยานัศนะเลยยถาพู้ตติยานัศนะ เป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่วันนิพพานคือรู้เห็นและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันรู้เห็นและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นจริงในทุกขณะปัจจุบันแค่นั้นเนี่ยเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่วนิพพานแต่เราเนี่ยปฏิบัติจะเอาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาก็จะเอาจะเอากันผูเท่าไหร่ก็จะเอากูจะเอากูจะเอา อยู่ทางโลกก็จะเอาจะเอาจะเอาเพราะว่าปฏิบัติธรรมก็จะเอาจะเอาหนีโลกมองไม่เอาโลกแล้วแต่ว่าจะเอาทำก็จะเอาจะเอาที่สุดแล้วก็กิเลสทั้งนั้นสภาวะและสังขารทั้งหมดอาการทั้งหมดนมันจะเป็นยังไงก็มันก็มันก็เป็นสังขารเป็นสิ่งตกแต่งทั้งหมดเป็นสิ่งของไม่เที่ยงเกินดับของเปลี่ยนแปลงแต่เราเห็นว่ามันทุกข์ทุกข์กุศลนกุศลมันก็เคลื่นผัดหน้าหมุนวน ผองใส่เศร้าหมองมันก็ผัดหน้ามุนวนมามันก็ก้อนเดียวกันแต่มันผัดหน้าชนถ้าไม่เข้าไปยึดตัวอย่างหนึ่งไม่มีผู้ยึดตัวอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีผู้ทุกข์แต่เราไม่เอาเราจะเอาผองไส่เศร้าหมองไม่เอาลังเกียร์เราใจที่สบายโป่งโลมงเบาสบายไอ้ที่มันอาการไ ม, ไม่โป่งไม่ล่กไม่เบอสบายเราเราไม่เอารังเกียร์ปัญหามันปฏิบัติอย่างนี้มันนานไม่ขาดอ่านใจตัวเองไม่ขาด ถึงจะไปเก็บตัวอยู่เงียบๆนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าอาจจะไม่ขาดอย่นี้มันก็อยู่ความหลงตลอดชีวิตตายไปกับความหลงแล้วก็กลายเป็นเด็กเออไปพอเป็นโลกเออไม่ยอมรอบับรู้อะไรเออก็ให้รบับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอประตูก้าวความโลกประตูมรรคผ่านยะถาภูตญาณนะทัศนะเห็นมารู้มานยอมรับมาตามความเป็นจริงไม่มีผู้เข้าไปเสวยไม่มีผู้เข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นเออ ไม่เลือกว่าเออดีรักชั่วชังเกียกรติทุคลักทุกเกียกรติทุคลักถูกดีรักชั่วชังเนี่ยที่ท่านบอกมันทุกหนอทุกหนก็กอ็อย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่ะคร้บเ ข, ข้าใจะค่ะให้เป็นยะถาปูตตะยานนณทัศนะให้รู้ให้เห็นให้ใจ ย, ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นในทุกขณะปัจจุบัน กับเขาการการหนตาเมื่อคืนหลุ่มตาก็บอกว่ายังยึดลูกอยู่ก็กลับไปก็พิจารณาดูว่ามันยังยึดอะไรอยู่ก็เห็นอยู่ว่าเออมันก็ยึดจริงยึดแต่สุดท้ายมันก็มองว่ามันก็เป็นแค่สังขารที่มันยึดเพราะว่าตอนหลังมันก็มองว่ามันยึดแล้วมันก็ทุกข์ใจมันก็เลยปล่อยวางตรงนั้นว่า มันไม่มันก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเรายึดแล้วเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มันก็อ่อยหมดแต่ว่าปล่อยวางค่ะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าหมอมันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปนึกถึงหรือไปยึดเข้ามันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่หลังก็มอกว่ามันเป็นสังขารก็เลยมันอยากยึดก็ยึดไปมันเป็นอาการของใจ ถ้ามันเป็นอาการอาการของใจแต่ถ้าใจเราไม่มันก็ปล่อยวางได้ค่ะม <Syn> ไม่ทราบว่าถุไหมค่ะก็ได้ก็ได้มีอุบายก็ได้เห็นว่าอาการยึดเป็นสังขารมันก็หลุดพ้นจากอาการยึดก็ค่อยๆทำอาจารมีอะไรแนะเพิ่มเติมไหมคะอืมก็อย่างนี้แหลแล้วก็เมื่อวานก็ บกงทีก็จะขึ้นรถแล้วก็จะฟังซีดีดองตาตลอดอนะคะฟังเพลแต่เมื่อวานพอพอฟังแล้วมันจะจะหยุดคิดเรื่องไม่ได้พิจารณาเรื่องสิ่งที่เลยยุดไม่ได้พิจารณาเรื่องอา่านใจตัวเองก็เลยหยุดฟังก่อนแล้วอยู่กับความเงียบขับรถไปก็พิจารณาไปก็เลยเห็นตรงนี้ขึ้นมาค่ะอพราะบางครั้งพอฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันหมกมุน่นก็หยุดแล้วก็อยู่กับความเงียบก็จะเลือกฟังเป็นระยะระยะอืไม่งั้นเมื่อก่อนจะฟังตลอด ได้นะคะขอบคุณค่ะเจ้าค่ะก็เมื่อวานี้ถวายลูกเป็นลูกกุฏิเจ้าไปแล้วก็ก็รู้สึกโล่งขึ้นนะเจ้าค่ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวปุ่นนี้จะทำอีกค่ะรู้สึกว่ายังไม่หมดเจ้าค่ะก็เรื่องภาวนาเนี่ยค่ะจะกลับถามหลวงตาว่า หนูวเวลาหนูพิจารณากายแล้วมันหมกมุ่นอะค่ะหนูก็เลยมาสติตั้งที่ใจแทนเจ้าอืเพราะว่ารู้สึกว่าพิจารณากายปุ๊บมันเหมือนมันใช้กําลังแล้วมันก็หมกมุ่นอยู่จากข้างในมากเกินไปเจ้าค่ะอหนูก็เลยเท่าที่สังเกตก็คือสติตั้งที่ใจแล้วเพราะมันมันอยู่ได้ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะไอ้กายที่มันเป็นอสุภะมันมันโผล่มาให้เห็นเองะะอ่ะค่ะอ ดูก็เลย อ, อย่างนี้ใช้วิธีนี้ดีกว่าก็คือดูดูสติตั้งที่ใจไปเรื่อยๆเพราะมันอยากจะเห็นมันก็โชว์ออกมาเองเ <c oughs> จ้าค่ะตามีตาชีแนะอย่างอื่นเจ้ารู้สึกใจมันจหมกมุ่นกับเขาทางพนทุกข์อยู่ันมกมุ่นต้องรู้ต่วต้าตนความมกมุ่นระ้ววางไป ที่เห็นนี่คือว่าพอเราปิดพิจ า, ารณามันหมกมุ่นมากเลยค่ะมันจนมันเหนื่อยแล้แม้แต่ขณะนี้ก็หมกมุ่นอยู่มันยังไม่แอบหมกมุ่นแม้แต่ปัจจุบันนี้ยังมีแอบหมกมุ่นอยู่หมกมุ่นกับความอยากพนทุกข์มันเป็นกิเลสพอเผลอมันก็จะเป็นหมกมุ่นแล้วมันก็จะรู้เลยว่าเพาหมกมุ่นตุ้มมันก็จะไม่เห็นข้างนอกชัดเจนหรือก็จะถอยออกมาก็ปล อ, ยอยมันไหน เป็นสังขารไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะพอปล่อยเป็นสังขารไปแล้วก็รู้มันก็จะเห็นชัดชัดทั้งข้างนอกข้งางในหมดเจาค่ะดตัว ท, ทัานเจ้าค่ะความหมกมุ่นที่อยากจะพ้นทุกเ จ, จ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราการคือ ในความเข้าใจของผมที่ผมฟังมาสักครู่นะครับก็คือการปฏิบัติทั้งหมดนะครับก็คือเพียงแต่ว่าเราเข้าใจธรรมชาตินอกตัวเรานะครับที่ธรรมชาตินอกตัวเรามันก็มีต้นไม้ใบหญ้าดินแล้วก็ความว่างเปล่าถ้ามันมาถึงในในใจของเรานะครับร่างกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดมันก็เปรียกเหมือนก้อนไม้ดินหินที่มันอยู่ข้างนอกแล้วก็ในส่วนของไอ ความว่างเปล่าที่มันอยู่ในในในในในตัวเราหรือจิตใจเรามันก็เป็นของของที่มันคู่กันอยู่อยู่อย่างนั้นเนาะก็แต่ว่าที่ที่เราปฏิบัติกันอยู่ปัจจุบันก็คือเราไปทําให้มันมันนอกเหนือธรรมชาติคมันมันไม่เป็นธรรมชาติก็คือสรุปสุดท้ายก็คือธรรมะมันก็คือธรรมชาติทั่วๆวไปปกติทั่วๆไปเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไป เติมแต่งธรรมชาติให้มันให้มันมันมากกว่าเดิมเพเพียงแต่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติไปตามหน้าที่ของเขาก็มันก็จะไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีค่าได้อะไรและตัวเรามันก็จะไม่มีไปโดยธรรมชาติของของเขาเองครับโดยที่เราไม่ต้องไปหรือถ้าเราไม่ไม่มีความยึดอยู่เราก็ไม่จะเป็นต้องวางอะไรอีกเห็น ไ, ไหม ธิรามจะมีอะไรไหมตอนีิรามีอะไรก็เห็นเห็นได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับมันมันยังมีมันยังมีเราไปทําอยู่ไหมครับของผมที่ที่อาทิตย์พูดเมื่อกี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับ เป่นยังไงถึงใจไม่เป็นยังไงตั้งใจยังไงเราลองทบทวนสออิธรรมชาติของเรามันไม่มีอยู่แล้วนะครับเ อ, อที่ที่เราหลงเราหลงไปยึดถือไอ้ไอ้การที่เราหลงไปกระทาอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นความเข้าใจผิด ก็เพียงแค่ปรับตัามเข้าใจทำความเข้าใจสมัยก็ไม่มีอะไรทำความเข้าใจผิดให้เป็นความเข้าใจถูกทุกอย่างก็จบแล้วอ้าใหม่ยัไงอ่ะกลาบนมัสการหลวงตาค่ะชื่อมดนะคะหลวงตา คราวที่แล้วที่มาส่งกัรบ้านหลวงตาค่ะหลวงตาให้ไปดูตัวที่มันคุยแข่งกับหลวงตาค่ะตัวที่แบบมันฟังแล้วมันคิดวิเคราะห์คุยแข่งหรือว่ามันรับรู้อะไรแล้วมันมันแข่งอยู่ในใจอ่ะค่ะหลวงตาก็พอลองดูตัวเนี้ค่ะก็เห็นเหมือนของเดิมมันเห็นแค่ว่า มันเป็นอารมณ์พูดบ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันเห็นตัวที่มันรู้อีกทีหนึ่งอะคะ่ะหลวงตาแล้วก็วางตัวรู้อันนี้แล้วก็เห็นบางทีก็คือกายทําอยู่เรื่องนึง่งอย่างเช่นแบบอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีจิตมันก็คิดอีกเรื่องหนึง่งแล้วเราก็ไปรู้มันอีกทีนึงแล้วเราก็วางตัวรู้อีกทีนึงอะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าแบบ ถ้าเราอะหลงไปกลับมานะคะหลงตามันก็จะทุกทุกไม่นั้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามเนะะี้ยค่ะหลงตาแต่ว่าเห็นไม่ได้ตลอดนะคะเห็นแค่แบบเป็นเป็นบางขณะขณะอะคะ่ะหลงตาแต่ก็เข้าใจว่าอ๋อถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลง ในสิ่งที่รู้ไม่ว่าจะเป็นรู้ในเรื่องของโลกหรือว่าในเรื่องของธรรมที่มันผุดขึ้นมาในใจอะค่ะอย่างเช่นเวลาเราไปรู้อะไรเราก็คิดวิเคราะห์ในเรื่องทางธรรมอ๋อมันแล้วที่มันสอนตัวเองว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าไอตัวที่มันอ๋อเนี่ยมันก็เป็นสังขารค่ะแล้วก็วางมันมันก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือคืนคืนโลกไปให้หมดอะค่ะตา แล้วก็จะมาขอากัรบ้านหลวงตาว่าหนูยังติดหรือว่าอะไรตรงไหนหรือเปล่าคะหลวงตาความรู้สึกความคิดว่าบุงแตงว่าหนูมาขอากัรบ้านหลวงตาหนูยังต<อ>ิดอะไรตรงไหนมันเป็นอะไรอะ่ะอ๋อขอขอภัยค่ะหนู <laughs> <laughs> ก, ก็ยังไม่วาง ใช่ขอบคินคำของตา